คนไทยเรามีปัญหาเรื่องการเรียนรู้และการรับรู้มากๆากเลยตั้งแต่ทดสอบและผาปฏิบัติคือเราเป็นคุณสมบัติชาวพุทธเราขาดตรงที่ว่าคุณสมบัติชาวพุทธที่สําคัญใยรู้สู้สิ่งยากอันนี้เจ้าคุณประยุทธ์่านให้นิยามมาไว้นะไยรู้สู้สิ่งยากนี่คือคุณสมบัติที่สําคัญของชาวพุทธแต่ว่าชาวพุทธไทยเรามีอาตาัตราพิเศษความใยรู้ค่อนข้างน้อย ก็อะไรที่ยากๆนี่ยไม่อยากจะทําอะไรที่ง่ายๆอยากยากอนุธทําให้หน่อยก็เล้กกันซึ่งก็แต่ในแง่ของพุทธเนี่ยมันมีสิ่งที่ต้องไฝ่รูต้ตลอดอะไรที่ยากๆทดลองทําทำสองครั้งไม่ได้สามครั้งสามครั้งไม่ได้สี่ครั้งสี่ครั้งไมได้5้าครั้งเพราะนั้นมันหมายถึงความอดทนสู้สิ่งยากมันหมายถึงมีความอดทนสูงไฝ่รู้หมายถึงว่าต้องการรายละเอียดต้องการเรียนรู้ต้องการพึ่งตนเอง มีสัญชัดยาในการพึ่งตนเองคือใฝ่รู้รเพื่พึ่งตนเองสู้สิ่งยากเพื่อมีความอดทนต่อเพราะชิงแวดล้อมที่บังคับชีวิตของเรามันมีทุกเวลาเนีเดี๋ยวดินฟ้าอากาศเดี๋ยวความเจ็บป่วยร่างกายเดี๋ยวความกระทบเสียดสีเดี๋ยวความ อ, อิดโรยหิวหวยเดี๋ยวโรคภัยไข้เจ็บมันมันมาบีบคั้นร่างกายและจิใจเราตลอดเวลาถ้าเราไม่ฝึกความอดทนไว้เนี่ย มันจะชีวิตของเราของเรามันก็จะเสื่อมโสมได้ง่ายระบบประสาทระบบสมองระบบร่างกายไม่พร้อมที่จะใช้งานทำให้คุณภาพชีวิตของเราต่ำลงนะเพราะฉะนั้นซึ่ง阿มาเองเมื่อก่อนเคยไปอบรมร่วม m ัล l ม, มเล e ของพ่อที่แดนฮันที่ฝรั่งเศสตอนนั้นไปเข้าเซมิล t ทิ e ที่บัลลัมเเลตที่บอกโูคำหนึ่งที่หลังจากที่เราเข้า s ซ m ิลิท t สมาครบ สาอาทิตย์แล้วเนี่ยเขามีการสัมมนาพ่อพวกไปไปหลายๆชาติพวก น, นานาชาตินะมีการนำเสน อ, อในวงสัมมนาเขามีการตั้งข้อสังเกตอันหนึ่งประเทศไทยถูกตำหนิมากเกินไปเอามาเลยติดอารมณ์เพราะเวียดนามที่เขาเข้ามาในเมืองไทยแล้วก็ถูกรัดเอาเปรียบเขาถูกฆ่าที่เขาก็บอกว่าประเทศไทยผีศีลูกข้อ Thailand Make Buddhism ก บุรีสุน陀เลยว่าประเทศไทยทําให้พุทธศาสนาตกต่ําเป็นคําที่มารับไม่ได้เลยนะชทวต่างประเทศเขามาเป็นพระเขามาบวชในพุทธมาบวชในประเทศไทยแล้วก็ไมเผยแพร่ยแย่ทั่วโลกทําไมบอกพุทธศาสนาประเทศไท ย, ไทยตกต่าแล้วเขาเลี้ยงให้เลยว่าตกต่ําอย่างไรคนไทยผิศีลข้อหนึ่งอย่างไรไม่ค่อยเป็นคนโหดร้ายมีการฆ่าฆาตกรรมเป็นอันดับสองของโลกมั้ศีลข้อสองในประเทศไทยมีการโกงกินข้อไว้ชั้นอย่างจงครื่องด้วยจงแจ้งที่สุด สินข้อสาประเทศไทยมีการค้ามนุษย์เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศศีลข้อที่สี่ประเทศไทยเชื่อถือยากตกลงกันว่าจะทำมิพอไปทำอีการทอีกแบบหนึ่งสัญญาอะไรต่างๆเนี่ยรัฐบาลเปลี่ยนไปเรื่อยๆประเทศแต่ละประเทศเข้าปฏิวัติในโลกนี้แห่งละครั้งสองครั้งแต่ประเทศไทยเข้าไปเกือบยี่สิบครั้งกว่ากันเพราะเชื่อถือไม่เชื่อถือใจไม่ไว้วางใจกันเพราะศินข้อสี่ ประเทศไทยเป็นแหล่งผ่านยาเสพติดและสิ่งมึนเมาและการพนันนสูงสุดเป็นระดับต้นๆของโลกเขาเลี้ยงสินห้าข้ อ, ม, อามาไม่สงสัยเลยว่าแต่ามาก็ยังติดอารมณ์อยู่ทาให้ประเท ศ, ป ร, เทศประเทศไทยทําให้ผู้สานตกต่ําเขาเลี้ยงสิน ห, ห้าข้อห้าข้อนี่ทู่หมดเลยโอ้โหมากลับมาด้วยความด้วยความเศร้มามากๆเลยนะ21วันเราแช่ม ช, ชื่นบวงบานนะพอวันสัมมนานเนี่ย คะแนนประเทศไทยพุทธศาสนาหายหมดเลยเพราะแต่และประเทศมาเรียนกันอย่างนี้เพราะประเทศไทยเราไม่มีคุณสมบัติในเป็นพุทธศาสนาไม่ค่อยเดาะเรียนรู้สู้สิ่งยากและตอนนี้เรากำลังเผชิญภัยใหญ่คืเราไม่ค่อยได้รู้นะทางเหนือทางอีสานเขาไปไล่ซื้อที่พรบหที่สวบอ ก, กเพราะฉะนั้นเองด้วยความที่เราจะต้องสูญเสียพุทธศาสนาเนี่ยในเวลาไม่ไกล แม้แต่เดี๋ยวนี้สังฆราชเขาก็ไม่ยามตั้งให้จะว่าไงเพราะฉะนั้นสัญญาณเหล่านี้เป็นสัญญาณอันตรายที่พุทธศาสนาเคยถูกทํามาแล้วทั้งในอินเดียจนปนัจเนปันสองพันปีผู้ชายนัญญ้นกลับเข้าอินเดียไม่ไทยเลยและประิเทศยเราก็ลงจะเป็นอย่างนั้นเพราะเราคุณสมบัติการเรียนรู้สู้สิ่งยากญี่ปุน่นปูตินของอินเดียรัสเซียว่าไงถ้าคุณยอมรับกฎหมายของประเทศเมื่อได้คุณไม่ต้องมาอยู่คุณไปอยู่ที่อื่นเอาอย่างนั้นเลย คุณไม่ต้องเอากฎมาคุณมาใช่ในบ้านฉันแต่ประเทศไทยว่าไงพอเราไม่เรียนไม่อยากเรียนรู้ไม่สู้สิ่งยากเรื่องพิเศษนะแต่ว่าสิ่งที่อยากจะให้เรียนรู้เช้าวันนี้ก็คือโดยเฉพาะพวกเราในในกลุ่มนที่หนึ่งเนะี่ยเป็นกลุ่มที่จะต้องเรียนรู้ในรายละเอียดของกายของใจของตัวเองเพราะกายใจของเราเนี่ยเป็นแบบอย่างเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ที่เบื้องต้นที่สุด เราจะเป็นรู้อะไรที่นอกตัวเราเองจะละเอียดลึกซึ้งขนาดไหนถ้าเราไม่เรียนรู้กายกับใจของเราที่เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ที่สุดกับตัวเราเนี่ยยังไม่ละเอียดยังไม่ถี่ท่วนแล้วเนี่ยอย่าหวังเลยว่าเราจะไปละเอียดถี่ท่วนในเรื่องนอกกายของเราเป็นไปไม่ได้ขนาดสิ่งที่อยู่กับมันทุกวันเรายังไม่รู้เรื่องของตัวเองเลยใช่ไหมปล่อยให้ตัวเองเป็นโรคไปแค่เจ็บป่อยตัวเองเจ็บป่วยปล่อยให้เองเกิดอุบัติเหตุอุบัติเหตุปล่อยให้เองตกเป็นท่าทุกความอยาก ต่อให้โดยตัวเป็นธาตุความรู้ความกลัวโค้งหลงได้ยังไงสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดใช่ไหมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นทุกวันแต่ทําไมเราไม่เรียนรู้มันอ่ะทําไมเราต้องโกรธบ่อยๆทําไมต้องเกิดคำหนัดราคะบ่อยๆและกินอาหารทําไมเรากินแบบมามันใครพูดอะไรไม่ถูกหูถูกใจทําไมเราเกิดหงุดหงิดเลยมันเกิดขึ้นซ้ำซากมากใช่ไหมทําไมเราไม่เรียนรู้มันอ่ะเพราะทำไมป่อยมันเกิดขึ้นซ้ำซากมากๆเลยอ่ะใช่ไหมอ่า ดังนั้นในจุดนี้เราต้องไม่มาเรียนรู้สิ่งที่ใกล้ตัวสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดง่ายที่สุดก็คือว่าเวลานั่งนา น, น, านเรารู้สึกหนักหลังหนักไหลหนักกระโพงใช่ไหม ย, ยิ่งนั่งนานเท่าไหร่ที่ยิ่งหนักแต่พอลุกขึ้นเราเรียนรู้มันไม่ว่าสิ่งหนักๆเหล่านั้นมันหายไปไหนและสิ่งที่เบาๆนี่มันเกิดมาจากอะไรง่ายๆอย่างนงี้ แต่เราเคยเรียนรู้วันจริงจังไหเรากินอาหารบางครั้งอร่อยมากมากแต่ไปเจออาหารอีกวันไม่อร่อยแล้วรู้สึกงุนงิดแต่อีกวันหนึ่งเราอาหารกินอาหารอร่อยรู้สึกแช่มชื่นเบิกบานกระดีกระดัดอาหารอร่อยถูกปากเหลือเกินใครอยู่ที่ไหนร้านไหนสื่อมาทันทีอีกวันมันไม่อร่อยทาไมเรางุนงิดใครวะ อาหารตัางชานตัางหลายร้อยบาททั้งมัไม่เอาเรื่องเลยเราจงังหวนยีติดอารมณ์มากมันก็จะกลับไปกลับมาอย่างนี้อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นทด้อย่างไรเพราะเราถูกเวทนามันหลอกอะ่ะใช่ไหมเวท น, นาอร่อยไม่อร่อยดังนั้นชาวพุทธของเราไม่น่าจะตกไปเป็นท่าของความพอใจหรือไม่พอใจได้ขนาดนั้นแต่เราก็เป็นมาเป็นปกติดียของของของเราไปแล้วนะเพราะฉะนั้นมีบาง ประเทศเขาบอกว่าประเทศไทยนี่ดีทุกอย่างนะอะไรก็ดีหมดเลยแต่เสียอย่างมีคนไทยอยู่แสดงคนไทยนี่ใช้ไม่ได้ผู้แบบมวนหางแบบเจ็บใจมากเลยนะมันเสียอย่างเพราะมันมีคนไทยอยู่ดังนั้นเองก็เราไม่สายเกินไปเราอกมาว่าเราเราอะไรจะมา ภัยพิบัติต่างๆทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองทางศาสนาเกิดขึ้นแต่ถ้าเรามาเรียนรู้ตัวเองนะวันนี้เนี่ยให้ละเอียดให้ทีท่วนไม่ว่าการลุกนั่งย่างเดินย้อนไปเนีถามประมาว่ารมาตื่นมาตีสองสี่สิบห้าวันนี้ถ้ามาถึงณจุดนี้หกโมงครึ่งเนี่ยมาจะหลับตาย้อนมาตั้งแต่ตีสองสี่สิบห้าจนมาถึงขณะนี้ฉันทำอะไรมาบ้าง ย้อนปลื้ดไปเห็นหมดเลยสว่างว่าขึ้นมาอ๋อจากนั้นเราเดินไปตรงนั้นเรานั่งตรงนั้นเราลุกตรงนั้นเราพูดตรงนั้นเราทําอะไรตรงนั้นลักษณะอย่างเงี้ยคือการทบทวนในสิ่งที่เรากระทำมาขณะแต่ละขณะขณะใช้คําว่าอะสัมโมหะสัมปัชชะยะเพราะว่าสติปัฏฐานที่เราฝึกเนี่ยมันจะถูกมันจะผิดมันมีตัวกํากับอยู่ มีสัมปชัญญะสีถ้าหากว่าเราไม่กำกับด้วยสัมปชัญญะสี่ประการเนี่ยสติที่เราฝึกมาเนี่ยมันไม่เป็นสมาสติสติประธานมีสีใช่ั้ยกายเวทนาจิตธรรมแล้วตามรู้กายตามรู้เวทนาตามรู้จิตตามรู้อารมณ์ถ้าหากว่าทั้งสีอย่างถ้าไม่ประกอบด้วยสัมปชัญญะสีไอการรู้ทั้งสีเนี่ยมันก็จะไม่สมบูรณ์การรู้กาย แต่หัวยุดเท้าว่าอาการเวลาชอบใจอาการเป็นยังไงไม่ชอบใจอาการเป็นยังไงเวลานั่งเป็นนานๆอาการเป็นยังไงเวลาลุกขึ้นอาการเป็นอย่างไรเวลาเดินอาการเป็นอย่างไรเวลามีเรื่องอะไรมาวุ่นวุ่นในหัวอาการเป็นอย่างไรอาการของจิตเป็นอย่างไรสังเกตไปเรื่อยๆลักษณะที่หนึ่งเรียกว่าศาตกะสัมปชัญญะคือต้องรู้ว่าที่เรากระรองทําเนี่ยเป้าหมายคืออะไร แต่เรจเริญสติเนี่ยเรานึกถึงว่าเป้าหมายที่แท้จริงเราต้องการอะไรเราเราเราต้องการที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นหรือไม่อันที่หนึ่งเรียกว่าศาตกาศสัมปชัญญะอันที่สองในขณะทำเนี่ยสามารถสัมผัสได้ถึงความสะดวกสบายไหมทำทุกอย่างเราเพื่อความสะดวกสบายเนี่ยแต่เราทําสัมผัสความสบายได้ไหมธรรมะอะไรที่จะทําให้เรารู้สึกสัมผัสรับรู้ต่อ สิ่งที่เรากล็ลองทําที่มุ่งไปสู่เป้าหมายทําให้สบายเรียกว่าสปายะสัมปชัญญะแต่เราทําตั้งใจเคร่งคมากเลยอยากจะได้อยากจะมันเห็นอยากจะให้มันรู้ตั้งใจอย่างโอ้โหเครียดเกรงเท่าไหร่ก็ไม่ยอมผ่อนมันไม่สบายอะ่ะไม่เป็นสปายะสัม ป, ปชัญญะอันที่สองเราขายไปแล้วอันที่สามโคจรสัมปชัญญะกายกับใจโคจรไปด้วยกันหรือเปล่า เคียงคู่กันตลอเวลาเมืเ่อ เ, เวลาทําอะไรกายกับกายประกบรับรู้ก็กื้อการะกันต์ตลอดเวลาไหมถ้าไม่เป็นโคจรสัมปะยะไม่ได้อีกอันที่สี่อสัมโมหะสัมปะยะเมื่อชั่วโมงตะกี้เนี่ยเราทําอะไรมาถึงหน้าในวินาทียนะ้อนนึกกับคืนไปยังเห็นภาพเราเน้นชัดอยู่ไหมไม่หลงลืมในสิ่งที่ทํามาแล้วอสัมโมหะแต่ส่วนใหญ่เป็นสัมโมหะ ลืมเรียบร้อยแล้วแปลว่าสามโมหะแปลว่าลืมเรียบร้อยแล้วสามโมหะสามปัญญาแปลว่ายังไม่หลงลืมในสิ่งที่เราเริ่มต้นมาน่ะชั่วโมงใดนาทีใดจนย้อนไปถึงย้อนกลับคืนไปอีกตรงนี้ท่านใช้คำโคตรภูยาอกิจเวะช า, านาญคือตรวจสอบเลียวหลังไปดูเขาว่าปจเวช า, านัญคือเลี้ยวเลียวหลังไปดูในทางที่เเดินผ่านมาพิจารณากลับไปดูณนะ ที่เรารู้สึกตัวเริ่มต้นเราตื่นเวลาเท่าไหร่ในขณะนี้ทบกทวนไปณชั่วโมงตีสี่ฉันตื่นขึ้นจนมาถึงนี้ย้อนกลับเปิดคุณไปอีกทีหนึ่งจนมาถึงณวิธีนี้นี่ตตีสี่ที่ฉันตื่นเนี่ยฉันผ่านอะไรมาบ้างอันนี้ที่ว่าสมปาธิญะเพราะฉะนั้นทําไมเราเจริญสติทํากันจริงกันจังทํำไมเป็นสมายสติพราเราขาดตัวกํากับตัวนี้เพราะฉะนั้นจะใช้คำว่าสติส ม, มญญญาธิยะใช่ไหมมหาสมณเจ้าเอาไวเป็นชุดแรกเลยนะว่าผมว่าสติ ทำมีอุปการะมากสองอย่างสติคือความระลึกได้สัมพยยัญญะความรู้ตัวใช่ไหมทำอันทำคุ้มของโลกสองอย่างเฮดิความละอายแก่ใจโอตรปะปความกลืงตัวต่อบาปทำอันธทำคุณให้งามสองอย่างขันติความอดทนโสรจากความสงบเสงี่ยมบุคคลหาได้ยากสองอย่าง ภูพการีบุคคลที่ทําบุญกาตัอยู่กับแต่เวทีบุคคลที่รู้จักตอบแทนบุญคุณคนได้สี่ข้งหลังทํานสี่ชุดเนี่ยท่านเอาขึ้นมาหน้าแรกของนวักกวาดเลยใช่ไหมลืมไปเรียบร้อยแล้วเพราะเป็นอสมัสมมาสัมพัทธ์ ญ, ญาไม่ไม่ได้ยากเลยเล่นนี้พิสูจน์ได้ง่ายๆเลยแหละแล้วก็เอามาพิญญาโอทำหน้าเดียวของนวักกุวาดมันครอบคลุมทั้งหมดของคําสอนพระเจ้าเลยนะ คือสติสมญาจะได้เป็นแม่บทของธรรมทั้งปวงใช่ไหมฮิริอัตตปะเป็นศีลคันติสุรจักรเป็นสมาธิกัตัญยูกตัตตาเวทีเป็นปัญญาเพราะคนเกิดปัญญาแล้วจะรู้คุณสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนับตั้งแต่พ่อแม่ลงไปถึงสิ่เหล่านี้เรามีอยู่เพราะสิ่งเหล่านี้ะไรเมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่มีเราก็หมดชีวิตเพราะนั้นเราจึงตอบแทนบุญคลที่ไม่มีปัญญากัตันยูก็จะไม่เกิด แต่ปัญญาที่เป็นโลกุตธรปัญญานะแต่โลกิะนี่เอาแน่นอนไม่ได้นะแล้วแต่สิ่งแวดล้อมพาไปนะเขาโฆษณาว่าไอกตัญญูดีก็โอ้กตัญญูใหญ่เลยนะแต่ถ้าเกิดด้วยองค์ธรรมแล้วมันก็จะเกิดปัญญาเห็นโอ้เรามีชีวิตอยู่ได้พ่อพ่อพ่ อ, พอแม่ โอ้ชีวิตได้เพราะพี่เพราะน้องโอ้ชีวิตอยู่ได้เพราะลูกเพราะหลานโอ้เรามีชีวิตอยู่ได้เพราะตำรวจทหารเพราะคนทําอาหารเพราะอะไรเห็นคุณไปหมดเลยแล้วเราจะให้เกียรติเราจะเคารพเราสิ่งเหล่านี้จิตใจเราจะเกิดน้อมเกิดเมตตาเกิดกรุณาขึ้นมาเองนะตอนั้นเองก็เบื้องต้นนะเบื้องต้นอยากจะให้ลาดับไปเสื่อมใหม่ถึงแม้เราเคยปฏิบัติมาหลายครั้งก็ตาม รูปนามที่เราสัมผัสอยู่เนี่ยเราสื่อกับมันได้ตลอดเวลาไหมตั้งแต่หัวจุดเท้าถ้ายังสื่อตัวเองไม่ได้ตลอดเวลาเราปฏิบัติมาสิบคอร์ดยี่สิบคอร์ก็ถือว่ายังไม่ไปไหนเพราะสื่อกับตัวเองไม่ได้หลวงพ่อเทียนรูปหงพเห็นเน้นเรื่อรูปน้ํารูปน้ำรูปน้ําแต่ใครบางทีจะทาให้มันเห็นรูปน้ําชัดๆจริงๆเนี่ยเขาเห็นรูปน้ำคือเห็น สื่อกับตัวเองได้ตลอดเวลาว่าตัวเองขณะนี้หายใจเป็นไงจิตเป็นไงคิดหรือไม่คิดนั่งนี่เป็นยังไงเดินเป็นอย่างไรตรวจสอบตลอดเวลาได้ขณะที่จิตกําลังเข้ามาตรวจสอบตัวเองอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยความคิดจะเข้ามาได้ไหมไม่ได้คือไม่ต้องไ ป, ไป ไ, ปไปไล่มันยากเลยควอมาคิดนะี่ยถ้าดึงจิตมาอยู่กับปัจจุบันกับรูปน้ำชัดๆเ่ยความคิดก็ปรากฏไม่ได้แล้วเพราะความคิดปรากฏเราเมื่ อ, อจิตเราส่งออก ฐานของความคิดมันขึ้นอยู่กับอดีตอนาคตใช่ไหมถ้าจิตแล้วไม่ส่งออกอดีตอนาคตเนี่ยความคิดเกิดได้ไหมไม่ได้เพราะฐานของตัวสภาวะคือปัจจุบันเมื่อเรามาสํารวจตรวจสอบตัวเองในลักษณะต้องตามความเป็นจริงด้วยนะตามความจริงหมายถึงว่าขณะนี้อะไรปรากฏก็รู้เท่านั้นคันก็รู้ว่าขันหนักก็รู้ว่าหนักหิวก็รู้ว่าหิวหายใจสั้นอึดอัดก็รู้ว่าอึอาดอัดหายใจยาว อัดก็รู้อัดภาพตาไปะสํารวจเรื่นี้เพราะนั้นเปอร์เซ็นต์ของรูปนามของใครแต่ละคนจะสูงไม่สูงตรวจสอบตรงนี้ตรวจสอบว่าซื่อตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนนะขณะแต่ละขนานะไม่ใช่ว่าแต่ละชั่วโมงแต่นั้นแต่ทำแล้วแต่ละขณะแต่ละขณะขณะไปอย่างนี้เรื่อยๆอารมณ์รูปนามก็จะเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นความคิดก็จะสั่างลงเองโดยที่ไม่ต้องไปลบเวลาอะไรกับมัน แล้ว ร, รู้ว่าความคิดเป็นเป็นเหตุให้เกิดการปรุงแตง่งตัวความคิดเองมันเป็นกลางนะแต่ความคิดที่มันมีภัยก็คือมันมันก่อให้เกิดปรุงแตง่งคือสังขารเท่านั้นเองแต่ความคิดที่มีตัวปัจจุบันเข้าไปอยู่ปัจจุบันเกิดความคิดเกิดแต่ความคามิดนั่จะเปลี่ยนเป็นความรู้แล้วเรียกว่าปัญญาเรียกว่าสติปัญญาเรียกว่าสัมปชัญญะว่าสติปัญญาก็เกิดจากความคิดนั่นเองแต่ว่ามันมีตัวสติตัวรู้กํากับอยู่ มันจึงเปลี่ยนมาเป็นตัวรู้นะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นที่สุดท่านจาึงว่ามาสร้างตัวรู้มาสร้างผู้รู้ก่อนโดยการได้จากการเปลี่ยนความคิดมาเป็นตัวรู้เปลี่ยนอดีตอนาคตมาเป็นตัวปัจจุบันเปลี่ยนบ่อยๆแล้วก็เปลี่ยนแล้วตรวจสอบชัดๆแล้วเปลี่ยนได้จริงไหมแล้วจริงแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนถูกไหมตรวจสอบอีกถ้าไม่ถูกถามครูบาอาจารย์ถามท่านผู้รู้ถามผู้มีประสบการณ์ที่เขาทําได้จริงอะนะ แต่ส่วนใหญ่เราเป็นไงเรารู้เหมือนกันแต่รู้แบบมัวม่วๆใจจะใช้คำนี้ขอโทษด้วยนะคือมัว่วคือไม่ชัดสักเรื่องเลยไปแล้วพอมาจงบอกถ้าไปถามแล้วมันไม่ชัดอ่ะตอบคำถามไม่ตรงอ่ะนะเพราะฉะนั้นเบื้องตัวที่สุดให้ตรวจสอบฐานรูปนามของตัวเองว่าเราจะรู้รูปนามในระดับไหนก็ตามสมมุติว่าในระดับขั้นรูปนามมันมีร้อยระดับ เราขณะนี้เรารู้ถึงเลยดับที่เท่าไหร่คือหมายความว่าในแต่ละขณะเราตรวจสอบตัวเองได้ชัดเจนแค่ไหนอันนั้นจะบอกถึงเปอร์เซ็นต์ของการรู ป, ร ป, รปนามถ้าตรวจสอบตัวเองไม่ได้ไม่ชัดจะพูดเคยไม่รู้จะพูดอะไรก่อนจะพูดก็ไม่รู้ตัวจะทำก่อนจะทำก็ไม่รู้ตัวทาไปแล้วกำลังทำอยู่ก็ยังไม่รู้ตัวทาไปแล้วทำอะไรก็ยังไม่รู้ตัวอีกแล้วรูปนามมันจะเกิดขึ้นตรงไหนไงใช่ไหมตรงนี้ ดังนั้นในช่วงของอารมณ์บุญนามตรวจสอบการพูดและการทำพอแต่ในช่วงของนามรูปหรือปรมตทมันจะเริ่มตรวจสอบก่อนคิดขณะคิดและคิดแล้วตรวจสอบไหมถ้าก่อนคิดก็ยังไม่รู้วจะเริ่มคิดเรื่องอะไรขณะคิดก็ยังไม่รู้วคิดเรื่องอะไรคิดไปแล้วก็ยังไม่รู้่คิดตรงนี้อารมณ์ปรมตทไม่มีทางเลยที่ก้าไปได้เพราะตรวจสอบของคิดยังไม่เป็น ดังนั้นอยากจะให้ในฐานะเราเป็นผู้มีประสบการณ์มาบ้างแล้วนี่อยากจะให้จริงจังกับเรื่องนี้มากขึ้นเพราะต่อไปนะเรามันเปิดประเทศแล้วใช่ไหมพวกชาวต่างประเทศเขารู้ว่าประเทศไทยเป็นแหล่งพุทธศาสนาเขาจะมาศึกษากันสมาชิกของเราคืคุณเหลิมนะ่ะเป็นแท็กซี่เนะี่ยคนนี้พัฒนา ตอนนี้เริ่มเอาหนังสือภาษาอังกฤษหนังสือไทยไปไว้ในรถแท็กซี่เลยนะในขณะที่รับผู้โดยสารเธอก็จะอธิบายธรรมะวิธีการของพระเทียนไปเรื่อยๆถ้าคนไหนตั้งใจฟังเข้าถ้าก็จะแจกหนังสือให้เรื่อยๆปรากฏว่าตอนนี้บอกว่าเราไปหลวงพ่อผมจะเอาฝรั่งมาปฏิบัติที่นี่หลวงพ่อจะไปไหนนะประมาหลายคนกํลาลังสนใจเห็นไหมเนี่ยคนที่เข้าใจแล้วคนเริ่มทํางานเขาเริ่มทํางานเป็นแล้วคาหาวิธีนั่นมันหมายถึงความก้าวหน้าถึงเธอจะ มีอะไรผิดผิดเพี้ยนอยู่หน่อยแล้เป็นที่สัยเก่าของเธอจะไม่ต้องถือสากันแล้วกันแต่มันมีส่วนดีตรงที่ว่าหพูดให้ฟังเมื่อวานะเออใช้ได้เธอใช้ได้นะก็หลวงพ่อเรียกมาใช้แต่ละครั้งเลืมเ้มอ้าวตังค่านะ้ํามันรถเลืมเธอต้องอยู่ต้องกินนะเธอต้องมีรายได้ไม่หลวงพ่อผมมาทำแค่ที่ผมได้บุญเยอะกว่าเสีาตัง เพราะอะไรเวลาผมพูดทรรมให้เขาฟังในรถแจกมิสซี่เขาแทนที่เขาจะให้ผมเที่ยวเนี้ยร้อยห้าสิบก็ให้ผมสามร้อยแต่บางครั้งถูกใจเขาให้ผมเลยเอาเงินในส่วนเกินมาตั้งเป็นกองทุนดูแลพระในพุทธศาสนาเอาคุณตั้งจริงอ่งั้นเอาตั้งนี้ไปตอนนี้ผมมีพอแล้วหลว่นี่คือวิธีการของเขาเพราะฉะนั้นอืม การเข้าใจอะไรได้ละเอียดยิ่งขึ้นมันจะเห็นประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์ว่าเพื่อนมนุษย์คนมีสิทธิที่จะรู้ตัวเองได้แต่ทำไมเขาไม่รู้เพราะเขาขาดกิริยนานมิตรเขาขาดผู้ชี้นำเขาขาดคู่มือทุกคนมีเมล็ดแห่งพุทธะอยู่ใช่ั้มมีโพธิจิตอยู่แล้วแต่โพธิจิตเขาเขาถูกครอบงำด้วยอะไรบางอย่าง แต่เมื่อมือผู้มีเมื่อมีผู้ไปแตะต้องเมื่อผู้ไปแคะไปไงไปไขไปเปิดมเมล็ดพุทธเัินนั้นเขาจะเกิดขึ้นมาดังนั้นเรื่องนี้อย่ามองข้ามสิ่งเล็กๆ น, น้อยๆที่เราสื่อความหมายกับตัวเองดูเหมือนเป็นเรื่องใสไร้สาระมากๆแต่มันเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่พระเจ้าท่านหันมาซึ่งก่อนหน้านั้นท่านศึกษามาทั้งสิบแปดศาสตร์ก็รู้ใช่ไหม แล้วก็ศึกษาจากครูบาอาจารย์ในอินเดียในสมัยนั้นระดับสูงสุดถึงอารารัตบทอุตะการาบทธธาบ ท, ท่านก็ทิ้งเพราะมันไม่ได้คําตอบที่แท้จริงจงกระทั่งท่านมาพบด้วยวิธีการโอ้ใกล้ๆนี่นเองเมื่อท่านรู้เรื่องนี้ท่านถึงกับว่ามันจะไปสอนใครได้เพราะเรื่องธรรมดามันเหมือนกับเรื่องไร้สาระอะไรเกิดตอนแรกท่านไม่ไมคิดว่าจะสอนใครใช่ไหมแล้วตามประวัติว่าใครนะเพื่อนของท่านเท้าสามบริพรมใช่ไหม โอ้ท่านอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยเพราะท่านเป็นเพื่อนกันมาหลายชาติเพราะนั่นจะรู้ใจกันดีก็เพื่อนคิดอย่างไรถ้าสามบดีผมเข้ามาว่าบอกไปเถอดท่านเพราะบางคนที่มีทุลีในดวงตาบางคือมีกิเลส น, น้อยเนะขาอาจจะเข้าใจเราก็เลยเอาคาถานีมาพูดทุกครั้งก่อนที่จะพระจะแสดงธรรมใช่ไหมจําได้ไหมยุง เออนั่นแหละพรมมาจาโรกาเพราะพรมลงมาจากโลกใช่ไหมเราจะไปอะไร <S <S แค่นั้นแหละพรมมาจาโรกาที่ปฏิสามบดีนี่จำไม่ได้แล้วนะที่ปฏิเป็นอธิบดีของโลกที่ปฏิสามบดีพรมพรมมาจโลกาที่ปฏิสามบริกัดอัญเชลีกระทาผู้มือต่อพระพุทธเจ้าอันธิวังอาญาจะทักขอพรอนันเสริด สันติตาสตาปรุรุสกัจชาติกาว่าสัมมสัตว์ในโลกนี้ที่มีดวงตาที่มีกิเลสดวงตาบาบางมีอยู่ท่านอาสันติทาสตาปรุรุสกัจชาติกาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังพะจังขอให้ท่านเอื้ออินทรแะแสดงเรื่องที่ท่านรู้เนี่ยให้แก่ชาวโลกด้วยเถิดใช่ไหมเราก็มักจะ เจ้าอาลัทธนาอะไรอย่างพวกก็ขึ้นธรรมะแล้วทําเป็นเป็นเรื่องเป็นราวอะไรนะแต่เพื่อระลึกถึงเท่าสามบุรีผมว่าพระเจ้าเกือบจะไม่สอนเรื่องนี้แล้วเพราะอาศัยท่านผู้นี้แหละมาขอร้องอ้อนวอนทําไมคือไม่อยากสอนเพราะเรื่องมันง่ายเกินไปมันไม่ใช่ยากไม่มีใครอยากรู้หรอกใช่ไหมงั้นอิเนเดียเขาจะไปทิ้งพุทธศาสนาเขากลับไปหาพรา ม, ม, เ, มเหมือนเดิมดูเหมืเรื่องของพุทธศาสนามันง่ายเกินไปแต่สู้มีฤทธิ์มีเดชมีปฏิหารมีเหมือนก็ อะไรอยากใช่ไหมใสาบาวาใช่ไหมดังที่สุดอ่ ะ, อะสามารถริดแร่แปลธาตุอะไรคนก็ไปกันทั่วโลกเลยใช่ไหมนั่นคือเขาต้องการแบบนั้นแต่พระพุทธเจ้าบอกมันไม่ใช่มันไม่ใช่แต่กายใจของเราเองที่มันเกิดทุกข์เกิดปัญหาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทําไมคุณไม่ใส่ใจทําไมคุณไปหาคนอื่นมาแก้ทำไมไม่แก้ตัวเองแล้วมีสักกี่คนที่จะมาใส่ใจแก้ปัญหาตัวเองตลอดเวลาเนี่ยท่านบอกว่ามันยากมันยากตรงนี้เอง เพราะตลอดเวลาคนที่จะพึ่งจากข้างนอกใช่ไหมไม่พยายามที่จะพึ่งตัวเองนะดังนั้นการที่เราจะพึ่งตัวเองได้จะต้องมาศึกษาตัวเองอย่างละเอียดว่าในกายในใจในรูปรลอนในนาของเราเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอะไรบ้างคนว่ศึกษาคําว่าคําว่าศึกษ า, า, า, กษาเราก็ยืมมาจากภาษาบาลีมันตรงเป้าหมายคําว่าศึกษาเนี่ยมาจากคาว่าสิกสกังหรือสกัดที่แปลว่าตัวเอง และอีกขะดโบสสกังบสถอีกขาอีกขาดด้ไม่ว่าเห็นแปลว่ารู้คําว่าสิกขากรนีคําว่าจักขุก่กรณีมันมาจากคําเดียวกันที่แปลว่าเห็นผู้ใดเห็นตัวเองผู้นั้นชื่อว่ามีการศึกษาสกังอีคตีติสิกขาเขาวิเคราะห์มาอย่างนั้นนะผู้ใดเห็นตัวเองผู้นั้นชื่อนั้นในโลกนี้มีคนมีการศึกษามากหรือน้อยมาเรียศึกษาตัวเองนะแต่เราก็มาประยุกต์ใช้การศึกษาข้างนอกคําว่าสิกขา นนนในเวลาสวดในอนัสสภกายะปฏิสังเวทีอสสัสมิติสิกขติคำว่าใช้สิกขติต้องก็มีการศึกษาว่ า, าหายใจเข้ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงขณะหายใจเข้าสภกายะปฏิสังเวทีปัสสสัมิติสิกขติผู้ปฏิบัติพึง รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงในขณะหายใจออกใช่ไหมแต่เราก็ไม่ค่อยได้สนใจใหายใจก็มีตลอดเวลาแต่เรารู้หมดทั้งกายไหมแต่เราสวดคล่องมากเลยนะอ า, าะนาปานสิแต่ว่าใช้ไม่ถึงห้าปเซของมัน เ, เราต้องมาปัตสัมพยาังยากายาสังขั ง, งอาสาสิสมิติสิกติผู้ปฏิบัติพึงศึกษาว่าเราจะทำกายสังขารให้สงบระงับ ปัจสัมปยังกายสังขารังเราจะทํากายสังขารให้สงบแล้วจะหายใจเข้าปัจสัมปยังกายยะสังขารังปัสสะสิสซามีติเศกติผู้ปฏิบัติพึงศึกษาว่าเราจะทํากายสังขารทั้งปวงให้สงบแล้วครับแล้ะจะหายใจออกให้ดูตลอดเวลาทั้งหายใจเข้าหายใจออกเลยดูทั้งหมดกายนี่นะแต่ว่าเราได้ทํากันจริงจังไหมมั่วๆไปเงี้ยแหละหายใจก็มั่วๆไปเงี้ยแหะ เออมาว่ามันจะต้องจริงจังกันมากขึ้นนะนะเพราองันรเราสูญเสียอุปสรรคแน่นอนไม่ต้องไปต่อสู้ลบดวมือกับพวกคิดอิสลามขเราถ้ามาต่อสู้ลบดวมือกับตัวเองเนี่ยทำไมเราศึกษาผู้ศาสนาน้อยไปทำไมเราไม่ตั้งใจทำไมเราไปสนใจแต่คนอื่นไปสอนแต่คนอื่นทำไมไม่สอนตัวเองจะลุกจะนั่งจะยังจะเดินเนี่ยเคยสัมผัสกับตัวเองได้ชัดชัดไหม หายใจแต่ละครั้งพับตาปากเดี๋ยวส่เลยคนหลวงพ่เทียนพูดเรื่องนี้ตั้งแต่รู้ธรรมะจนตายนะีแต่ก็คนที่จะเห็นความสําคัญเรื่องนี้มีน้อยมากดังนั้นอรามาเองก็ไม่ใช่ไปเห็นความสำคัญเรื่องนี้มันเกิดความทุกข์และปัญหามันหนีไม่ไม่สามารถจะแก้ด้วยวิธีอื่นได้นอกจากจับมือด้วเองแล้วแล้วเราไปลอยครั้งพันหนุนหมื่นครั้งแสนหนุนจิตมันถึงยอมรับ ทุกเกิดทีไรเนี่ไปพึ่งเรื่องอื่นมันไม่ได้เลยนะต้องกลับมาหาตัวเองทุกครั้งมาตั้งตนนะตัวเองยิ่งก้าตั้งตนในตัวเองทุกครั้งมันก็ยิ่งขุดรายละเอียดในตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทําไมคนเราต้องมีราคะทําไมคนเราต้องมีโทรศัทําไมคนเราต้องมีโทรหะโมหะทําไมต้องมีรักมีสังเริ่มขุดค้นมันขุดค้นก็เจอคําตอบเรื่อยๆเดี๋ยก็อันนี้มาเรื่อยๆมันก็ได้ยิ่งเห็นความสําคัญ ของความรู้สึกตัวไม่ได้เห็นความสําคัญของตัวเองนะเห็นความสําคัญของความรู้สึกตัวแล้วก็พยายามไปประกาศทุกครั้งสําหรับผู้ที่ยังไม่รู้สึกตัวก็มีร้อยคนพันคนจะเอาสักคนหนึ่งก็ดีใช่ไหมดีกว่าไม่บอกเลยก็ทําอย่างนี้ยไปมันไม่ใช่เรื่องยากแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นเรื่องที่เราทําได้นะแ ล, แล้วไม่อยากจะทำด้วยใช่ไหมเนี่ยนั่งมาเนี้เป็นครึ่งชั่วโมงรู้สึก ยังไงหนักอยังไรงรู้อาการภายในใช่คิดว่าจะเอามันออกบ้างไหมก็ไม่มันก็ไม่ต้องไปเอามันออก เ, เพราะอะไรมั <c oughs> นไม่ได้ไปอยู่กับมันตรงนี้มันไม่ได้อยู่กับสิ่งที่มีอยู่แล้วจะไปอยู่กับอะไรถามไม่ไม่ได้อยู่กับสิ่งที่มีอยู่แล้วจิตจะไปอยู่กับอะไรสิ่งที่มีอยู่เรื่องปัจจุบันใช่ไหม ถ้าไม่ได้อยู่กับมันแล้วไปอยู่กับอะไรจิตออกไม่ได้น่าเห็นไหมไปอยู่กับอดีตนะโคตเพราะเราไม่ได้อยู่สิ่งที่มีอยู่ขณะนี้คือทุกข์ใช่ไหมคือหนักหนักหลังหนักไหลปวดหลังปวดไหลหนักเยอะยิ่งโยมจวมีน้ําหนักเยอะเนี่ยก็ยิ่งปวดไว้หนักไว้ใช่ไหมแล้วก็ต้องบําบัดบ่อยให้เอาตรงนี้ให้ชัดก่อนง่ายๆเดี๋ยวนี้แล้วต่อไปเราจะลาดับในการลุก รู้เดินหนักอย่างไรร่างกายของเราสบายอย่างไรไม่สบายอย่างไรอมาก็เลยคอยบำบัดเวทนาตลอดเวลาเพราะบำบัดเวทนาร่างกายเราจะเบาเพื่อกายเบาจิตเป็นไงเบาเมื่อจิตเบาพร้อมไหมพร้อมที่จะเกิดสติปัญญาไหมพร้อมเพราะฉะนั้นอามากถึงไม่สงสัยเลยว่าเพราะเหตุอะไรพระไตรลิมบุตร h จึงเป็นเลิศด้วยปัญญาเพราะท่านศึกษาเรื่องเวทนาแล้วก็ บ, บรรลุเป็นพระอรหันต์ด้วยเรื่องของเวทนาด้วย ที่พระพุทธเจ้าเทศกับท่านทีคานาขาอะอคิเวสนาโคธใช่ไหมคุยกันสองคนนะ่ะแต่พระสารีบุตรฟังอยู่ข้างหลังตามรู้ในสิ่งที่ท่านตามรู้ตามพิจารณาพอคุยกันข้างหน้าจบคนข้างหลังบรรลุบรรหารเรียบร้อยแล้วแต่คนข้างหน้าเป็นเพียงพระโสดาบันในธรรมเทศนากันเดียวล น, นะธรรมเทศนากันนี้เรียกว่าเวทนาปริขาหาสูตรไปหาตามอ่านได้ในพระธรริจุต ออกมาว่าทําไมพระพุทธเจ้ายกย่องภาษาลิบุตรเหลือเกินว่าถัดจากพระองค์แล้วผู้ที่มีปะะัญยานอกจากภาษาลิบุตไม่มีแต่ถ้าหาว่าท่านไม่เกิดภาษาลิบุตรพเป็นพระเจ้ า, าอีกองค์หนึ่งเหมือนันนะแต่พราะท่านอาธิษฐานมาเป็นพระเพียงสาวกเท่านั้นอ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ให้ใส่ใจเรื่องเวทนาเย็นร้อนอ่อนแข็งเข็งตึงกินอาหารเวลาอร่อยทําไมเราชอบอ่ะใช่ไหมเราไปติดรสอาหารเพราะอะไรวิเคราะห์ เพราะว่าอะไรหมาก็ก็คิดไปเล่นๆนะว่าเออลดอาหารมันเป็นกดแล้วก็น้ําย่อยของเราที่หลั่งออกมาที่ปลายนิ้วของเรามันก็เป็นกรดกดได้เป็นของเย็นหรือของร้อนของร้อนร้อนบอกร้อนเกิดอะไรเกิดความเจ็บชนิดหนึ่งแต่ความเจ็บชนิดนี้มันเป็นสัญชตาตญาณของชีวิตมันไปเผา ทำให้ชีวิตของเราดํารงอยู่ได้แปลงความเจ็บปวดนั้นให้เป็นความอร่อยการเสพกินเสพกามเป็นความเจ็บปวดแต่มันกลับเป็นความอร่อยเพื่อที่จะสืบฉันชัดยานเราเสพในอาหารเพื่อสืบสืบฉันชัดยานกันมีชีวิตเราเสพกามมันปวดมันร้อนเพื่อจะสืบฉันชัดยานกันมีเผ่าพันธุธรรมชาติมันต้องการที่รักษาเผ่าพันธุของมันมาโอ้ ทำไมธรรมชาติมันถึงละเอียดอ่อนขนาดนั้นทําไมมันลึกซึ้งขนาดนั้นทําไมมันฉลาดขนาดนั้นทําไมพระพุทธเจ้าท่านไปรู้เรื่องนี้ได้เราจึงเห็นกนารแัดสิริเรามีคุณค่าแล้วเราก็ยิ่งตามพิจารณาตามไปตามไปเห็นอแล้วไอ้ความอดเด็ดอร่อยมาจากธรรมชาติในตัวเรามีสีธรราตุใช่ไหมดินน้ํำลมไฟดินกับน้ำห้าบวกกันเนี่ย เามาก็มาดูว่าเออดินกับน้ํามันอยู่ด้วยกันลมกับไยมันอยู่ด้วยกันเวลาเรานั่งดีๆลมพัดมาเมื่อวานเรามานั่งตรงนั้นนรามาเปิดน้ำสปริงเกอร์ใช่ไหมอนก่อนหน้ามันอากาศอุ่นๆร้อนพอเกิดสปริงเกอร์อากาศเย็นขึ้นทันทีเลยนะเพราะอะไรเพราะพอเย็นเกิดขึ้นปั๊บอากาศข้างน้ำนมันก็มากระทบเย็นเกิดลมลมมากระทบกายของเราในร่างกายข้งเรามีท่าน้ําอยู่ เมื่อถ้าลมมาเป่าับอากาศอากาศเย็นเกิดขึ้นเราสมมติว่าเย็นน่ะแต่อการหมุนเวียนการสัมผัสของระหว่างน้ํามาเปลี่ยนเป็นลมลมก็มาเปลี่ยนเป็นไฟไฟก็มาเปลี่ยนเป็นดินสรางพืชสางสัตว์ทั้งหลายเมื่อถูกเผาไหมก้กลายเป็นดินใช่ไหมเมื่อถูกเป่มน า, นเปามือ้ขขอความละอุของไออะไรความร้อนของผิวโลกมันก็กลายเปื่อยย่อยสลายเป็นดินเพราะธาตุไฟและาธาตุไฟนี้ ก็ไปเผาน้ําน้ําก็ระเหยเป็นไอไอแ้ก็เปลี่ยนเป็นลมเวียนก็อยู่อย่างนี้ยด้วยการกฎของอนิจจ์ทํางานใช่ไหมสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนตัวแต่ละเวลาสไลด์ตัวตมันจึงเป็นอ น, นัตตาเพราะมันเปลี่ยนทํางานอยู่ในระบบขอ ง, ขอ ง, ของเซลเราเกิดมาจากน้ำเมื่อก่อนเราเป็นสัต น, น้ําอยู่ใช่ไหมเป็นวุ้นอยู่ในน้ําอ่ะแล้ววุ้นอยู่ในน้ําเกิดมีการพัฒนาเป็นธาตุดิน ฮาดิงก็มาเปลี่ยนมาเป็นสัตว์สองเท้าสี่เท้าจนกลายเป็นเราไม่รู้พัฒนากี่ล้านปีเพราะฉะนั้นมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยอาศัยการมีวัฒนาการมาหลายล้านปีเพราะฉะนั้นเราจะไปใช้ชีวิตที่อย่างสะเล่าหรืออย่างประมาทไม่ได้เลยเพราะอันนี้คือปฏิมากรรมที่ธรรมชาติสร้างมาหลายล้านปีแล้วแล้วมาเป็นตัวเราถ้าเราใช้ชีวิตอย่างประมาทไม่พอเราใช้วัตถุอันศักดิ์สิทธิ์วิเศษนี้อย่างไม่ไมรู้ไม่รู้คุณค่ามันเป็นวัตถุที่อัศจรรย์เป็นเป็นสิ่งที่ ธรรมชาติสร้างมาดีที่สุดกว่าสมสัตทั้งหลายมีประสาทมีการรับรู้มีมันสมองมีความคิดมีอะไรต่างๆพร้อหมดเลยแต่เราใช้ชีวิตทั้งชีวิตใช้เพื่อความเสพกังความอร่อยอร่อยเท่านั้นคุ้มกันไหมใช้สิ่งที่ปฏิมากรรมที่มีค่าที่สุดไปแลกเอาสิ่งที่ถูกที่สุดเหมือนเด็กเออถือแบงค์ใบพันุ์ไปแล้วขนมอมรูกอมสักก้อนหนึ่งไอติมสักอันหนึ่งแค่นั้นมนุษย์เป็นอย่างนั้นแล้วคุ้มกันไหมมนุษย์จึงมีทุกข์งไง เพราะไม่เห็นคุณค่าของชีวิตของตัวเองโอ้พระุทธเจา้าเราก็เลยยิ่งนับถือพระพุทธเจา้าถ้าไม่มีบุคคลคนนี้ขึ้นมารู้เรื่องนี้เราก็ไม่รู้จะเป็นกุ้งหอยปูปลาไปขนาดไหนเราไม่รู้เป็นพืชเป็นสัตว์ไปแลกกี่รอบแต่มาพบความรู้ของบุคคลคนนี้เราก็ได้กล่าวท่านแล้วท่านอีกวันและหลายๆครั้งใช่ไหมเราก็กระเตอยู่ต่อท่านทํางานช่วยท่านนั้นั่นจึงไม่อยากจะให้พวกเราได้ไ ด, ได้ดูถูก ตัวเองเนพยายามเอาใจใส่ตัวเองทะนุถนอมดูแลตัวเองอย่างใกล้ชิดตากวรจะมันมาทํางานอย่างนี้ได้มันพัฒนามากี่ล้านปีกวรจะมาเป็นตาคนนี่นะใช่ไหมระบบ อ, อะไรต่างมันวิเศษมากเลยในร่างกายเพราะฉะนั้นอย่ า, ยาไปทําให้มันป่วยเจ็บป่วยอย่าให้มันผุเก่าซูโสมไปพยายามดูแลรักษาพราะเราร่างกายนี้มันเจ็บป่วยไว้พราะเราใช้มันเกินเหตุแล้วก็เสพ ความชุมสายเกินเหตุมันถึงทำลายร่างกายและอีสีประสาทของเราลรงนี้เพราะฉะนั้นเอามาจะเข้าไปดูอาการนีดทีละอาการะวันวันหนึ่งมันได้คิดเรื่องอื่นน่ะพิจารณาแต่เรื่องเหล่านี้อ๋อมันยิ่งพิจารณายิ่งเห็นลอะอียยิ่งลึกอะ๋อทําไมคนไปเสียเวลาคิดเอาไว้ขคำนวณตัวเองไม่นให้เสียเวลาขนาดนั้นเลยนะแต่สิ่งที่ในตัวเราเองเนี่ยมันผ่านมาเป็นหลายร้างปีวัตถุอเนี่ยทาไมเราใช้มันไม่คุ้ม ทำไมเราไม่ดูไรายละเอียดสัตว์ทั้งหลายมันเดินขวางโลกแต่คนมนทำไมมายืนได้โอ้เราก็เห็นสภาวะความจริงเราก็เห็นร่างกายและจิตใจนี่นเป็นสิ่งที่มหาศา์วิเศษเพราะฉะนั้นเราจะทำกับสิ่งนี้อย่างละหลวมหรือประมาทไม่ได้ถ้าเราทำสิ่งกับสิ่งนี้เดี๋ยวเราเราจะได้รับความทุกข์เป็นอันมาก เรียกว่าประมาทใช่ไหมตายแล้วตายอีกทุกแล้วทุกอีกตลอดเวลาแต่คนไหนที่มาเห็นความสําคัญเรื่องนี้แล้วเอาใจใส่ดูแลรักษาบําบัดทุกแก้ไขให้ร่างกายนี้ก็ถือว่ามีความกระตันอยู่ต่อวัตถุสิ่งนี้เราก็จะมีส่วนได้รับความสุขสงบอยู่บ้างนะแล้นเองถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้ดีแล้วในการกยับกยื่นเคลื่อนไหวอะไรต่างๆมันเต็มไปได้วยความหมายทั้งหมดเลยมันจะไม่พูดพลาดไปพูดพลาดมาเหมือนเมื่อก่อนละ มันจะค่อยไปค่อยมาสังเกตศึกษาแต่ทำแต่พอดีนะไม่ใช่ตั้งใจเกินไปนะตั้งใจเกินไปเกิดเพี้ยนขึ้นมาไม่รับพิดชอบนะบางคนมันมีมีความอยากใช่ไหมอยากจะรู้อะไรสักอย่างโอ้โหตั้งใจมากเลยเกินในที่สุดมันตลเอออะไรจะดีขนาดไหนถ้านตั้งไว้ให้พอดีมัชฌิมาปฏิปทาใช่ไหมเพราะมนุษย์ของเรานีที่มันทุกข์เพราะมันสุดตกมาตลอด พอใจไม่พอใจถูกผิดดีชั่วบุญบาปนระกสวรรค์เกยเวียงอยู่เงี้ยจิตใช่ไหมแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านมาพบของตรงนี้เองก่อนหน้ามันถูกปกปิดเนี่ยไ อ, ไ อ, ไอตัวก่างตัวนี้เราก็วิ่งไปวิ่งมาอยู่เนี้ยท่านค่อยมาแซะมาเลิกมากระเท้อไอตัวที่ควบคุมไออวิชาเปิดเสมือนตะกอนตะกันที่มันครอบคุมจิตอยู่ ท่านมาแคะมาเสาะมาแทรกออกจนกระทั่งเห็นล่องเลยอ๋อตรงนี้ตรงกลางอยู่ตรงนี้เองเมื่อก่อนเราจะวิ่งไปตรงนี้วิ่งไปตรงนี้แต่จริงๆแล้วคนอยู่ตรงนี้คือปัจจุบันคือมาเห็นปัจจุบันคือเห็นลูกนาวณตัวปัจจุบันนั้นคือตัวมัชชิมาปฏิปทาตัวอดีตคือตรงซ้ายตัวอนาคตคือตรงขวาวิ่งจิตวิ่งไปสู่ความสุกตรงตลอดเวลาอดีตอนาคตก่อมาเป็นความคิดความคิดเป็นผงจําลองของความสุดตง แต่เราจะทิ้งความคิดไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันต้องใช้แต่เราใช้ความคิดอย่างใช้ความคิดอย่างมีใช้ความคิดที่ผ่านไปในอดีตอย่างมีสติเราจะเกิดปัญญาเกิดญาณเรียกว่าอัตติตังสยานขณะเดียวกันเราก็ใช้ความคิดที่อนาคตเราไม่ทิ้งจะเอาความคิดอนาคตเข้ามาใช้อย่างรู้เนื้อรู้ตัวเกิดอนาคตตังสยาน แต่ก่อนหน้ามันเป็นอดีตอนาคตเป็นเหตุของทุกข์ใช่ไหมพอเปลี่ยนแล้วเอาสติเอาปัญญาเข้าไปกำกับใช้มันเป็นยานเกิดการระลึกชาติได้เกิดรู้ที่ไปที่มาณปัจจุบันเรียกว่าปัจจุปนังสยานหรือจุตูปัฏฐายานอันเดียวกันพระทีาตรัสรู้นี่ โอ้ทำไมวิเศษขนาดนี้เราได้พบคําสอนของท่านถึงไม่พบไม่พบตัวองท่านนะแล้วพบคําสอนของท่านอย่างครบถ้วนก็เลยว่าโอ้พวกเราคงจะประมาทต่อไปไม่ได้นะ้วนะจากนี่ไปถึงวันตายเนี่ยเราจะทําอะไรได้บ้างนะเราก็ต้องกลับมาดูชีวิตจิตใจของเราฐานที่สําคัญที่สุดคือฐานของกายกับใจที่เรียกว่ารูปกับนามถ้าเข้าใจฐานตัว น, นี้แล้วนี่เราจะไปเห็นอะไรเห็นรูปของกาย การทํา ง, ทงานของกายให้ชัดเจนให้ถี่ท่วนเสียก่อนเมื่อเห็นรูปของกายชัดเจนถี่ท่วนเห็นความรู้สึกอย่างถี่ท่วนแล้วมันจะไปรู้นามรูปเองมันจะไปรู้ความคิดเองไม่ต้องไปอยากไปดูมันแต่การที่อยากไปดูทั้งๆที่ไอ้ฐานเนี่ยไม่ชัดเนี่ยมันก็เข้าไปเพราะความคิดมันเป็ น, นกลไกที่ใหญ่มากไอ้ตัวเล็กๆเข้าไปก็หมุนแล้วเข้าไปเลยเพราะมันหมุนมาไม่รู้กี่ล้านปีแล้วคงจะมีความถี่สูงด้วยหมุนติ้วเดียวเนี่ย พูดเจ้าใช้พูดเจ้าใช้ก็ว่ารัดนิ้วมือท่านไม่ใช่ไม่ใช้ก็ว่าเวลาเท่านั้นท่านใช้ก็รัดนิ้วมือเนี่ยใช่ไหมแม้แต่แถว ท, ทเบงเลยตามไม่ทันเลยเป็นแต่เราทำชโชว์มชั่นใช่ไหมมาขยายรัดนิ้วมือเดียวเราจะคิดไปอเมริกาก็ไปไงรัดนิ้วมือเดียวไม่ต้องใช้เวลาเลยใช่ไหมเพราะนั้นนำ ม, มารูปมาเดินทางที่มีด้วยความถี่ที่สูงมากไม่สามารถจะหา ความถี่ที่แน่นอนได้เป็นทษนิยมไม่รู้เป็นเลขสูงกี่ตัวนะลัทธิโมเดิลดังนั้นเองด้วยความถี่ที่มันพัฒนามาหลายล้านปีเนี่ยมันมีความถี่ที่สูงมากมันถึงพร้อมที่จะเปลี่ยนอะไรได้ทันทีนะเปลี่ยนสุขเป็นทุกข์ได้ทันทีคือเปลี่ยนที่ใจเปลี่ยนเป็นนรกเป็นนิพพานได้ทันทีคือเปลี่ยนที่ใจพระองคุลิมานก่อนหน้า น, นั้นนะใช่ไหมฆ่าคนมาไมา่รู้เท่าไหร่ก็เป็นสัตว์นรกแท้ๆใช่ไหม พอพระพุทธเจ้าเพื่อพริกใจแค่นิดเดียวกลับเป็นพระอริยเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาเป็นไปได้ไงเพราะมันไวมากไงแค่พลิกแค่นั้นแหละจิตคนละดวงเลยท่านไม่ต้องมานั่งคิดโอ้โหฉันทำบาปทำกรรมมาปัจจุบฉันจะอาศัยเวลาอีกนานเท่าไหร่ถึงจะรู้ไม่ใช่ในมิติของจิตแล้วไม่ใช่มันสามารถพลิกเปลี่ยนได้ทันทีเพียงแต่ให้เข้าใจได้ถูกต้องเพื่อจะเกิดสมาทิฏฐิเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิที่เราค่อยใจยาบเพราะเราไปคิดว่าเราเป็นหลัง มันยากตัวเนี้ยนี่จะชําระเราออกจากตัวรูปนามนี้ได้อย่างไรเมื่อได้สําำระความเป็นเราออกจากรูปนามนี้ได้ก็จะเห็นตัวความพอดีทันทีเพราะนั้นในสังโยชน์สิบท่านจึงเริ่มต้นด้วยสักกายทิฏฐิเพราะสําคัญมั่นหมายว่าเป็นเราดึงความสําคัญมั่นหมายนี้ออกได้เริ่มต้นด้วพระโสดาบานเป็นต้นไปเพราะนั้นโสดบาบันในท่านรักขีเรนได้สามตัวหนึ่งการกลับมาดูตัวเองเห็นตัวเองเป็นรูปเป็นนาม ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตนนะสองไม่สงสัยในคำสอนผู้ริจา้าสามไม่ยึดติดในสิ่งที่พอใจไม่พอใจไม่ยึดติดในสิ่งที่ดีที่ชั่วใช้ให้เป็นประโยชน์นะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงอยากจะให้ไปทบทวนในรูปนามใหม่ทบทวนไม่ใช่นั่งคิดนะทบทวนในการลุกนั่งย่างเดินเนะี่ยรู้สึกชัดแค่ไหน แค่นี้พอแต่ละขณะนะถ้าลืมไปแล้วลแล้วลไ ป, วไปวตั้งต้นใหม่ลืมไปแล้วตั้งต้นใหม่อยู่เรื่อยๆแล้ววันหนึ่งพอรูปนามมันชัดมันจะเปลี่ยนเป็นปรมตาทันทีพอรูปปรมัาชัดมันเปลี่ยนเป็นการเกิดดับทันทีเพราะฉะนั้นในสมัยขั้งพุทธการมีคนบรรลุภารักับที่เลยตั้งหลายคนใช่ไหมอย่างพระสารีบุตรฟังแล้วเข้าใจแล้วบรรลุภรรันเลยท่านไม่ต้องเพียนอะไรเลยอ่านมีความพร้อมนะ ดังนั้นสมาธิฐิจึงสําคัญเข้าใจถูกแล้วทุกอย่างเปลี่ยนพลิกไปหมดเลยท่านจึงตรัสอย่างนี้ว่าสมาธิฐิสมาทานาสภาวทุกขลาภจะคงผู้ใดเห็นได้ถูกต้องแล้วคุนั้นพ้นจากทุกมุ่งเลยท่านท่านไม่ได้ตัดองค์อื่นเลยนะไม่ได้ตรัสสมาสังกปะสมาสมาธิสมาสติไม่ได้ว่าเลยเอาแค่สมาธิิอันเดียวผู้ใดได้เห็นถูกต้องแล้วคุณนั้นจะพ้นจากทุกทุงปวงได้ ทำไมไ่ว่าสมาสติสมมาสมาธิสมากรรมตระสมาวายามาสมาอาชีวะไม่ได้บอกว่าเป็นจากผลทั้งรูปทั้งปวงแต่เอาสมาธิติตัวเดียวอามาก์กมนึกถึงขบวนรถด่วนถ้าหัวขบวนมันไปทางถูกไอโบกี้มันจะขบวนก็ต่างไปทางเดียวกันหมดใช่ไหมถ้าหัวขบวนไปทางผิดโบกี้มันก็ไปทางผิดหมดเลยเพราะฉะนั้นสมาธิติจึงเป็นหัวขบวนของมรรคแปดเราจะหันไปทางไหนเราหันไปทางสักยทิฐิหรือหันไปทางสมาธิฐิ แค่นั่นเองถ้าเปลี่ยนสักยะทีเอาตัวตวนออกได้เหลือแต่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมันก็เป็นสมาธิทิฏฐิทีจากสักยะทิฏฐิแล้วจากนั้นก็ไม่ยากละองค์อื่นไม่จะถูกหมดเลยดูเหมือนได้ยินเสียงระคังแล้ใช่ไหมคงจะหิวความหิวเป็นสัญญาณเตือนล่ะก็ขอขอนุโมทนาสาธุในการที่จะศึกษาเรื่องนี้ร่วมกันอย่างจริงจังเพื่อให้เราได้ปดเปลื้องเอา ตัวสำคัญมั่นหมายในตัวเองที่ผิดที่เป็นมิจฉาทิถีมายาวนานหลายร้อยหลายพันชาติเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนได้ถ้ายังเปลี่ยนไม่ได้พยายามกลับมาทบทวนให้เห็นความสำคัญเั่งนี้จนกระทั่งได้ดวงตาเห็นธรรมเข้าใจการเกิดดับด้วยการทุกคนทุกท่านถืน